อาจจะมีทานในศิลในขณะที่ทำงานไปในตัวะเราทำกรรมฐานเนี่ยมันมีอะไรที่จะต้องทำให้เราได้บทเรียนได้ประสบการณ์ได้บำเพ็ญเพียรได้บำเพ็ญบารมีถึงสิบทัศสามสิบทัพก็ได้ขณะที่เรายกมือสร้างจังหวะเนี่ย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 อันทีก็เหลือบโยงรีดไลกัดอดงทีก็เหม่อไหลครย่อยใครเจอหลักเตอร์ตต้องหลบต้องหลีกอย่างไรไขจึงจะไม่หักหรือว่าการขับรถขับเหลือลลอันมีอะไรที่จะต้องให้เกิดความเชื่อมแขนไปในตัวความคล่องแคล่วไปในตัว ไปเจอความยากก็หมดหมดท่าแล้วถ้าไปเจอความายเอาก็หมดท่าแล้วเอาความไายมาเป็นการต่อรองกับอะไรหลายๆอยา่างเป็นนักปฏิบัติเนี่ยไปเจอความง่างเอาความง่างมาต่อรองแล้วไปเจอความคิดไปเจอความสุขความทุกข์ก็ทะเลถลายไปหมดเลย ความสุขความทุกข์ความยากความง่ายความมุ่งความผงสัดก็จุวยกระจายไปเลยสติเจะตั้งก็ไม่ค่อยมีงานของเราคือการเจริญสติอะไรก็ตามเห็นเราจับคันไถเดินตามโบราตามคยก็ไถไปอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องเราไถนาก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องอื่นไป <c oughs> ไม่ใช่คา ม, มากยากควา ม, มาอยู่ตรงนั้น หรือเราทำเลยก็ตามการปริบัติธรรมมันทำพร้อมกันไปหลายหลายอย่างเลยเจ่งไปหลายหลอย่า ง, งพร้อมพรอมกันไปผาดไปได้หลายๆอย่า ง, งพร้อมพรอมกันไปใจก็ดีไม่ตัวคนยากไม่ต้องการความ ง, ง่ายเอาทึ้งไปเลยมีแต่การกระทำ อะไรที่ผ่านมาลู่สึกเรื่อยไปยกมือสร้างจังหวะสิบสี่จังหวะเลื่อยไปตั้งต้นไหม่เรื่อยไปเจริญสติเรื่อยไปจับควารู้สุกไปดูความรู้สบกที่ทีิที่เราตั้งไว้เรื่อยไปหลุดไปจับมาไว้กลับมาตั้งไว้มันหลุดไปทีไรก็จับมาตั้งไว้เหมือนกับตั้งไข่ร่วงที้วก็ตั้งไว้ ไม่มันจะไม่ทำนาญถ้าไม่ทำตรงนี้มันก็ไม่ใช่นักปฏิบัติปฏิบัติก็ปฏิบัติตกนี่มันผิดก็มันมันหลงไปก็กลับมาลูนี่เรลยกวปฏิบัติมันผิดก็กลับมาทาลูปฏิบัติมันสุขก็มาลูมันทุกข์ก็มาลูมันงงก็มาลูกลักบมาลูกลับมาลูมันคิดฝุ่งฟ่านไปไหนก็กลับมาลูสึกตัว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 เหนไว้ไม่ใช่ไปเขา้าเข้าให้ถึงตัวปฏิบัติให้จะเป็นชีวิตชีวาเป็นการเป็นงานใช่พบจะเหตุอะไรมันก็เป็นธรรมดาของนักเดินทางมันก็เป็นธรรมดาของนักทำงาน บางทีก็หยาบบางทีก็ค่อยเป็นธรรมดาทําอะไรก็เป็นเช่นนั้นแหละ้ <c oughs> แต่จะกินข้าวก็ยัง <c oughs> มีวิวัลหลายหลายอย่างที่จะทําให้เราได้กินข้าวเขียวอาหารอิ่มท้องไม่เหมือนคดกินอาหารในสายอย่างขนานมัน ผีขึ้นคนแล้วทำดีก็ไม่ได้ทำชั่วก็ไม่ได้หรอกถ้าตรงนี้เราจะทำดีเราจะลัความชั่วเราต้องมีความชั่วมาให้เรารักเราต้องทำมีความดีมาให้เราทำเป็นความรู้สึกตัวเราก็ต้องทำเลิกไปห่วงหลงตัวเราก็ละเลอยไปความสุขเราก็เห็นมันเลิยไปไม่ไปคลองไปแบกความทุกข์ เราก็เห็นเลยไปไม่ไปคล้องไปแวะเราก็รู้สึกเลยไปมันง่ายอยู่มันมีหลักอยู่มันมีสูตรมันอยู่ตัวปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เพิ่มันแล้วกายเราก็มีอยู่จริงๆยกมือพลิกอ ม, มันก็ไม่อยู่รู้อยู่อะมันก็รู้อยู่จริงๆแล้วมันก็หลงจริงๆนะแลมันลงเนึ่เอาจน ลืมหลงเราก็ ล, ม ล, มลืมไปทุกสิ่งทุกอย่างมันก็หลงจริงๆความหลงเห็นมันจริงๆความหลงเลยว่ามันคืออะไรมันก็คือความหลงมันก็ไม่พิเศษพิเศษอะไรความหลงความทุกข์ก็บางคนมันก็มีทุกข์จริงๆนะแต่หน้าบูดหน้าบุ้งไปก็มีบ า, างคนทําความเพียรหนั <c oughs> นกหนัยากเหมือน ลิ่งก็ขึ้นเขาเราว่าก็ยากจริงๆบางทีเราว่าก็ง่ายจริงไม่ไปสีภาษาความยากกวาง่ายมันเป็นความรู้สึกตัวของเราอยให้มันเด่นความยากความง่ายอยากให้มันเด่นให้มันเด่นในความรู้สึกตัวบางทีก็เป็นเด่นในความทุกข์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 หามมเหมือนเขาขึ้นคัดเล้าโคชนป้ต้โคชนาในหมมในถนนหนทางสีสันทั่วให้มันเด่น <c oughs> เขาก็หามุม <c oughs> ไพื่จะให้มองเห็นได้ชัดจงใจขดเดินทางที่จะต้อง ดึงสายตาให้คนสนใจเราก็เหมือนกันสร้างความสนใจสร้างสิ่งแวดล้อมให้เกิดความรู้สึกตัวหามาหาได้อยู่ดอกริอบทั้งซีความรู้สึกตัวไปตั้งไว้ที่ไหนที่มันสะดวกคือมันเด่นก็ตั้งตรงนั้นไว้ ไหนบางทีตรงถ้าปันเด็นก็เกิดไม่เด่นอีกแล้วก็ตั้งที่ใหม่รู้จักตัวที่ใหมใ่ไปเดินเดินนั่งนอนรู้จักตัวเหมือนมีคนมาถามพระพุทธเจา้าวันหนึ่งวันหนึ่งพระองค์อยู่อย่างไรพระเจ้าพระองค์ตรัสว่าวันหนึ่งเราเราอยู่กับการยืนเดินนั่งนอนไม่ได้เมรัย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 เห็นกายเอาก็เห็นเลยไปเห็นเลยธนาที่มันเสนอมากอ ด, ดก็เห็นเลยไปเห็นความคิดก็เห็นเลยไปที่มันจะแสดงออกมาทำให้มันลบผวมรู้จุดตัวเราก็ลูเลื่นไปเห็นความงงที่มันเกิดตาครอบนำความรู้จุดตัวเราก็ลู่มันเลื่ยไป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 ที่จะบังคับขับใสลาวเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ใช้สิทธิที่มีความชอบธรรมกับตัวเราบ้างเช่นความรู้สึกตัวนะเราใช้สิทธิอย่าอย่าเพิ่งไปแบ่งสร้างตัวนี้ไปก่อนไม่อะไรไม่มาขอแบ่งก็เอาไว้ก่อนสงวน สว่นไว้ก่อนลูบสุกตัวไว้ก่อนออกหน้าออกตาไว้ก่อนให้มีจิติ์ให้มีเนืใสไว้ก่อนวิธีที่ทำความเพียรนะมันก็มีเทคนิคมีเคล็ดลับมีกิริยาอาการของใครของเราหามาอย่าไปจนอย่าไป นเงี้ยนก้อนแคลนไรง่ายๆคอนหนักแน่นก้นหนักแน่น ม, น, แ น, นมั่นคงสแสดงถึงความมั่นคงแสดงถึงพลังบางทีก็สแสดงเป็นพระโพธิสัตว์ก็ได้เหมือนกันแบบสแดงเป็นนักพัฒนาก็ได้เหมือนกันในขณะที่เราทําความเกียนมองแบบแบบลื่นมองแบบ พระโพธิสัตว์ถึงเขาอดทนก็อดทนถึงเขาเมตตาก็เมตตาถึงเขาอไม่เจอคิดดีทดําดีพูดดีก็ไปในทางที่มันง่ายๆเลยก็นห้เราทําความเพียรอยู่นี่างก็คิดแบบพระโพธิสัตว์นี่เลยทําความเพียรอย่าง เราแม่คนดิมเขาใช้ให้ตักน้ามันละร้อยหากสองรอยหักก็ตายอนั่นหละตักน้ำไม่ได้เป็นพระโพธิสัตว์แต่ตักน้ำก็เป็นชี้ฆ่าอะไรก็ น, นี้ไม่ได้แต่เราจะเอามาเป็นประโยชน์ผมทุกขทําให้เราเป็นพระโพธิสัตว์ ที่เลตันฮ้าเนี่ยเมืันเปิดอะไรขึ้นมาล้วก็สแสดงถึงพระโพธิสัตว <c oughs> ์เกิดความเช่นมแข็งได้ความเพียนตนเป็นพระโพธิสัตว์ไปในตัวเสร็จขณะที่ปราลกความเพียรพวคคลบางคนอาจจะเป็นพวกผู้ออกแบบพอมานั่งสร้างที่ว่าโอ้นน่งเลย นิ่งเลยงสงบเสงี่ยมหมาตาก็ชื่นบานแสดงถึง ก, กล้องไม่หวนไหวอะไรเลยอ่าไม่โรกลรื่อลโรลมอ่ะมันก็ทำให้ได้นิ่ใสใหม่ๆเหมือนกันนะการปรรลคกองเพียรนกนารเจริญสตินี่ขึ้นกาวอดทนก็อดทนเช่นเรานั่งนะ วางทีเรามาทําใหม่ๆจะนั่งพับเพียบได้ไม่นานได้ร่งขัดสมาธิไม่ได้ไม่นานอาจจะเดินได้ไม่ค่อยนานเพราะทำไปทําไปอ้านั่งทังวันก็ยางได้เดินสี่ห้าชั่วโมงก็ยังนด้แล้วมันก็ค่อยดีขึ้นไปเรื่อยๆลองทรงตัวระว่างเอวนั่งพับเพียบใหม่ๆเอวโคตรคตของมันก็นั่งไว้นั่งไว้มันก็ตรงได้ อมันก็ตรงได้ก็ง่ายๆแต่บางทีตัวการกระทำง่ายแต่ว่าตัวจิตใจบางทีมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันชอบแบบต้งชอบแบบนี้น อ, บบบอให้ความคิดให้อะไรก็มายุ่งแล้วก็ทําตามไม่ใช่ มไม่หลักอีกหรอกความรู้สึกตัวเห็นก็เห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นนี่แหลอะอถ้ามีความรู้สึกตัวจะเห็นจะเห็นสิ่งที่มันจะมาครอบนามาลบผมรู้สึกตัวทําให้หลงไปทางทิศใดทางใดเราก็จะได้เจอเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดความหลงเลื่อยไป แล้วเราก็สร้างความรู้เรื่อยไปความหลงก็กลายเป็นประโยชน์ตรงเลยกลายเพื่อแต่ความทุกข์ทาให้เกิดการตัดจะโล่ขึ้นมาได้เช่นพระพุทธเจ้าของเราเห็นทุกเห็นสมุทยัยเห็นนิโรธเห็นมรรคนะไม่ใช่เห็นของดีนะเห็นการเห็นงาน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 พอเราทำปั๊บมันก็อยู่ในแถบนี้แหละไม่ห น, นีไปไกลหรอกอยู่ในแถบอยู่ในโซนนี้แหละโซนของอดีตสัตว์นี่แหละ เ, เรรละพรามันมีอยู่นี่มันมีอยู่ในกายก้อนสองยาวานาซื่อนี่เี็คนยังไม่ตายนี่มันสุขมันทุกข์เป็นนี่แหละมันโลกมันโกรธมันหลงเป็นนี่แหละ ของเธอมันมีอยู่แต่เดิมเป็นธรรมชาติของเธอมันมีอาการแสดงออกภายน อ, อกภายในมันก็มีอย่างเข้มพระพุทธเจา้าบำเพ็ญเพียรมีนางตัหามีนางราคะมีนางอลติมาแสดงแบบนั้นเลย มาแก้ผ้าให้ดู น, นุ่งนยผมน่อยให้ดูมันตอนนั้นเลยมังกก็มีมาจะมาเย้ต้นศรมหาโพธิแทนศิลาตอนนั้นเลยฝนตกตลอดคืนน้ำท่วมจะนาะคมาคด แต่พังพานปกคุมไว้ปานนั่นเลยไม่ปามมาหลอกค้หุดหดหุดหัดหุหไกลัวมึงก็มีกป็นังโอ้ร้ายมากร้ายก็พวกเราเพราะพระองค์อยู่ผู้เดียวต่ลาบางเทนเพียรพระองค์อยู่ผู้เดียว กลางลงกลางป่าเป็นเนินเป็นเนินสูงสมัยก่อนเราจะเป็นสัตว์ป่าแยะๆอยู่แถบนั้นในสระน้ำสระมุด จ, จลินอยู่ทางทิศใต้มันบ้านเราเนี่ยมีสระมันวัดเรามีสระแล้วก็มีสัตว์อยู่ในน้ำในสระสัตว์อันตรายก็ไหม จน้าร่อนจะมีมูจงอางงูเหา่างูทําทานบางทีก็มีนากนามากมาที่ก็มีช่างมีเสือมาลงกินน้ำ นี่ก็มีสัตว์ป่ามาลงกินน้ำแต่ว่าพวกเราอยู่หลายชีวิตแก็เลยไม่ใหญ่โตเจอบางเล็ ก, กน้อยงูหงูจงอางฮะและคนที่จะมาหลอกเราคางึึอเหมือนพระปริจาก็ไหมไหมโดยที่ไหนก็มีเพื่อนมีมิตรเต็มไปหมดตือสะดวก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 ตัวเห็นภาว่าเห็นนี่คือรู้สึกตัวผลความองความรู้สึกตัวคือความเห็นโหดไทยวันจบไปเลยคือภาวะที่เห็นกายโหดความพระบรเจ้าคโหดแบบสลุเราก็อย่ามาสงสัยสับสนตรงนี้อ่าค น, นั้นก็บอกว่าให้สร้างสติให้รู้สึกตัว พอเป็นคำพูดของพระเจ้าว่ะเห็นกายในกายมันเป็นพูดของให้มันให้มันถึงม่่งไนนั่ๆเห็นเห็นการสอนกันใหม่เอามือวางไว้บนเข่าเห็นไหมว่ามืออยู่หัวเข่าวองคนก็สับสนเห็นมันหมายถางว่าไหนเห็นก็เห็นเห็นแต่ไหาเห็นอยู่อะไรเห็นตาไปเห็นก็ไม่ใช่กระ ไม่ใช่ตาไปดูเห็นมมืออของเขาวางอยู่บนเขาเห็นบางคนก็ไม่กล้าตอบไม่ได้เห็นหรอ ก, ม, ก, กมันเป็นรูปรูปของมืออยู่บนเขาก็นั่นแหละคือความเห็นนั่นแ่ะแล้วลองเฝ้มือของท่านขัดอยู่ข้างหลังเชื่อไหมแล้วว่าไปเชื่อเพะเห็นอยู่เป็นรูปอยู่มืออยู่บนเขาอันนั้นแหละคือความเห็นให้เห็นแบบนี้ เห็นลูกมืออยู่บนเข่ายกมือขึ้นก็เห็นว่ามือมันยกอยว่ไม่ใช่ลูกไม่ใช่ลูกตัวลูกก็เป็นตัวเห็นผมคือความเห็นพอเรามีความลูกมันจะเกิดความเห็นอ้าวเห็นคิดไหมมันคิดไปโน่นอ้าวเห็นในตัวมีตนไหความคิดไม่มีแต่ว่ามันเห็นแล้วกลับมาลู่ได้ไหมกลับมาลู่ได้มาเห็นกายเอกได้ไหมเห็น มันเห็นกครจะเห็นความคิดมันเกิดความเห็นว่าเป็นหลักแล้วความเห็นเป็นหลักมันจึงมีเกิดการเหตุอะไรที่เกิดขึ้นเห็นเลยธนามันปวดมันเมื่อยแต่านัมันเป็นอันเดียวกันไปหมดกายก็เป็นตัวเป็นตนเลธนาก็เป็นตัวเป็นตน ความคิดก็เป็นตัวเป็นตนวิเลตันนะอะไรต่างๆก็เป็นตัวเป็นตนวันนี้เราเห็นเหรอวันเริ่มต้นจากภาวะที่ดูที่เห็นสิ่งไหนที่มันแสดงออกมาก็เห็นพอเรามีหลักทำให้เกิดการเห็นคือรู้จุดตัวเราก็สร้างความรู้จุดตัวอาศัยในเม็ดให้เกิดความรู้จุตัวเลื่อยไป มันจึงจะจบแต่การเห็นเห็นกายมันก็จบเห็นเวทนามันก็จบเห็นความคิดมันก็จบเห็นธรรมที่เป็นกุศลหรือกุศลมันก็จบถ้ามันเห็นแต่มันเป็นมันจบไม่เป็นเราไปเป็นภพเป็นชาติไปเป็นสุขเป็นทุกข์ไปมันก็ไม่ใช่เห็นสุขเห็นทุกข์มันจึงง่ายๆการปฏิบัติธรรมนะ ถ้าจับหลักได้มันก็ง่ายมันก็ไปเลยหลักสูตรมันพาไปเหมืนคนเรียนวิชาการต่างๆหลักสูตรมันก็พาไปมันมีสูตรอยู่ไปเลาะในเฟืองต้มไปเลาะในท่ากลางไปลาะในที่สุดพร้อมทำอัฏฐาพร้อมทำพยัญชนะบริสุทธ์บริบูรณ์สิ้นเชิง การปฏิบัติธรรมไปรอในเบื้องต้นก็เกิดการเห็นปฏิบัติสินดูอยู่รักษาดูรักษากายวาจาอยู่มันเห็นอยู่มันจะผิดตรงไหนมันรู้อยู่มันเปลี่ยนอยู่มันมไม่เลยมาเป็นสุขไม่ได้มาเป็นทุกข์มันเห็นอยู่เนเป็นการรักษาสิน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 มันปิ้มขึ้นมาเอาหญ้ามาเป็นปุ๋ยกลายเป็นปุ๋ยไปเลยความคิดกลายเป็นปัญญาเป็นปุ๋ยไปแล้วถ้าไม่มีพิษมันจะมีถูกได้ไถ้ามไม่มีทุกข์มันจะทุ่ทุกข์ได้อย่างไรเมื่อว่าพลังแห่งสมาธิไลโรในท่ามกลางแต่ใครเห็นอย่างนี้นี่ประโยชน์ ถ้าไปเห็นโฉกเห็นเทวดาเห็นสวรรค์ที่ไหนโอ้นั่นไปในผ่านได้ยากบอกนั้นไปได้ยากไปติดโฉกไปได้ อ, ไดไไดอะไรมไม่ใช่ก็เล่นอยู่ในฌานโกตั้งหลับหูหลับตาอยู่ไปหลับรู้อะไรเลยนั่งหลับตลอดกัน มันก็ไม่ต้องทํงาออกจากฌานออกจากหลับแล้วกตมาย่องแยงย่องแ ย, ง, ย, ง, ยงถนองอะไรนิดหน่อยก็เข้าป่าเข้ากติปิดอ่อนแอไปเลยอย่าขี่ไก่ไม่ฝ่อพวกฌานเนี่ยพวกสมาธิพวกศีลพวกสมาธิพวกปัญญาพวกลุย ช่างถาก็ย้อนถากช่างดัดก็ดัดไปเรื่อยๆ ม, มาให้เราดัดมันมาให้เราถากออกละออกไดยละออกโดยเปลี่ยนความผิดเป็นความถูกถากออกดัดกวางงดคดคค้ง ม, มันตรงตรงกับความรู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆอย่านี่ไปเลาะในเบื่องต้นคือซิมนี่แหละ ันเจริญสติคนก็นละ ค, ความชั่วทำคมดีแล้วเป็นสีนอายองกัดเราก็ไม่ได้ไปตีโยงก็เห็นดูกันไม่ผลผันผันแรนนกความรู้สึกตัวทำไมนิ่มนวน